เพาะความเจริญในธรรมจึง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทลายแต่รลวงปู่ปติยานในวันนี้เนื่องจากเป็นวันกรรมกรเดินทีเดียวตั้งใจว่าจะมาออกรายการสดปณีไปติดรายการที่จะต้องทำรายการโทรทัศน์จึงต้องบรรยายใส่เทปไว้ วันกรมมักรนั้นที่จริงเป็นความคิดเห็นที่มาจากต่างประเทศทเทอร์เรีย ก, กรอเมเดิกริจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพี่น้องกรรมกรนั้นก็มีการเกื้อนนากันมาบางครั้งขางคราวก็เป็นข่าวคราวในเรื่องที่น่าเห็นใจน่าเข้าใจ บางครั้งมาข่าวก็น่าหน้าหวัดกลัวอย่างพนัก ง, งานการบินไทยที่กระทำต่อรถแทนรัฐมนตรีเนี่ยคนึกยังไงก็น่าเสียดายว่าน่าจะผู้จาประสัยกันให้ดีกว่านั้นที่จริงกรรมกรเนี่ยมาจากรูปิเคราะห์กรรมังกรตีติกรรมการโร บุคคลใดทำการงานบุคคลนั้นชื่อว่ากรรมกรเพา่ความเห็นว่ากรรมกรที่จริงทุกคนก็คือกรรมกรถ้าหากว่ามองตามรูปสัพ์มองตามความหมายเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำกิจการงานแต่ว่าในการงานนั้นแน่นอนมันเกิดขึ้นมาจาก พื้นฐานนะด้านความรู้ด้านความคิดด้านความสามารถแล้วก็ด้านคุณธรรมของคนในความแตกต่างที่เป็นขั้นพื้นฐานภายในสังคมเราจะถือว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยมไม่ได้นะเช่นว่าคนหนึ่งมีความรู้แค่ป .6 ก็แล้นเองแล้วจะให้เธอไปทำงานระดับบริหารเนี่ยเธอจะทำได้ยังไง แตาจะทาได้เธอก็ต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆอีกเป็นมั่นมากแล้วก็คนคนก็ควรอยู่ในจุดที่เขาควรอยู่คือสามารถทํางานเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรที่ตนสังกัดเป็นสมาชิกอยู่เรารายได้รายได้เนี่ยคือบางทีเราลืมมองนะฮะอาตมาในชีวิตก่อนที่จะบวชมาเนี่ยก็เคยผ่านชีวิตกรรมกรมา เราก็ศึกษาติดตามดูนะครับะเห็นว่าก็มีการเอารัดออาเปรียบกันไม่ใช่ว่านายทุนเอารัดออาเปรียบอย่างเดียวฮะกรรมกรเองก็รัดออาเปรียบี๋ยวถ้าเราสังเกตการเรียกร้องคาาแรงและต่างๆจะไม่มีการมองไปที่ตัวเอง ่าตัวเองจะพัฒนาความรู้ความสามารถฝีมือการงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นองค์กรที่เราเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะต้องมีปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยคือไปมองแต่ว่าเราจะได้อะไรจากองกค์กรเกนที่จะถามว่าเราจะให้อะไรแก่องค์กรด้วยนะฮะจริงจริงเรื่องเหล่านี้มันมันเหมือนการลมหายใจเข้าออก คือต้งพย า, ายาลองหายใจเข้าออกดูนะครว่าถ้าเราหายใจเข้าลึกเนี่ยหายใจออกมันจะยาวถ้าใจหายเข้าสั้นเนี่ยหายใจออกมันจะสั้นชีวิตเรามันก็ถูกปรนเปื้นปอนโดยลมหายใจเข้าออกอย่างนี้สังคมเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเราอยู่ร่วมกันด้วยการให้โดยการรับคือไม่จะรับอย่างเดียวหรือให้อย่างเดียว แต่ว่าวิถีชีวิตในช่วงยาวเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเริ่มจากการรับมาก่อนแล้วก็รับน้อยลงแล้วก็มีการให้เพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อพ่อแม่แก่เท่าลงไปเราก็ให้แต่การให้ตรงนั้นไม่แน่จะเมือไปนะถ้าพ่อแม่หายการร่ำรวยเราก็ไม่ต้องให้อะไรท่านให้ความรักความเคารพกับท่านนั้นนั้น แต่ถ้าาว่าพ่อแม่แกชาราลงไปก็ต้องดูแลใจใสมันก็ให้ท่านนะ่ะท่านจะให้ตอบสนองแกเราเพราต่อไปลูกเราก็จะเลี้ยงดูเราอย่างที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่างคมโลกมันก็สืบต่อกันมายอย่างนี้พ่านในช่องว่างระหว่างเจ้าของกิจการที่เราอาจจะเรียกว่านายทุนหรือไม่ทุนก็ตามนะแล้วถ้าเรามองลึกๆเนี่ยที่จริงพวกนี้เป็นหนี้เป็นสินน้าดูเนะ่ะ แล้วก็เสียงไม่ใช่เล่นนะเรามาเคยพบคนที่เขาเป็นหนี้เป็นศินเป็นหมื่นล้านเลยแล้วก็ทํางานเนี่ยตัวเป็นกริวเลยไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็มีความสุ่มเสียง ส, สูงมากเพราะว่ามันไม่แน่นะฮะเขาเสียงอยู่ตลอดเจเวลาว่าไอสินค้าดิมันผิดเนี่ยมันจะมันจะขายได้หรือเปล่า เศรษฐกิจมันเป็นยังไงบ้านเมืองมันเป็นยังไงธรรมชาติมันเป็นยังไงน้ำมันมันเป็นยังไงโอ้มันตหองคิดเยอะเลยแล้วผู้ใช้แรงงานเนี่ยที่จริงก็ทํางานไปตามสถานะเงินเดือนแน่นอนนะครัถ้าถล่มดินทลายยังไงเขาก็ได้มีครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ที่ที่มีประสบการณ์นะก็พบเย็นมาด้วยตัวเอง ก็มีการจไตรในโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งเขาเพิ่งสร้างนะแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยั้งแปดสิบล้าน mm hmm. ก็ผู้ทีจ่ไตเขาก็มามาที่วัดมาสอบถามว่าถามจริงๆคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ที่คุณวิเครานะห์พอเนี่ยคุณทร ง, งานในห้องแอร์นะฮะแต่ความรู้คุณขนานดะนี้ขนานดะปวชเนะี่ยนี่คือต้องการเงินเยอะเหลือเนกะิน บอกว่าคุณต้องนึกนะฮะถ้าคุณเป็นนายทุนเนี่ยเข้าเสี่ยงเนะี่ยแขกมาพักโรงแรมเขานี่ไม่แน่ถ้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะก็อพออยู่ได้แต่ห้าสิบปอร์ซ็นเนี่ยอยู่ไม่ค่อยไหวนะโรงแรมอะ่ะอันนี้คือคือไม่ค่อยคิดถึงแนวการแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยเราจึงไม่ได้สอนแบบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พอในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เนี่ยแต่ละฝ่ายต่างก็มุ่งชิงไหวชิงพลิศพยายามเอาดัดเอาเปรียบกันแล้วผลสุดท้ายเนี่ยบางทีมันก็มีเสียด้วยกันเช่นสมมติว่าเกิดประท้วงจนหยุดทํางานหรือปิดโรงงานทางฝ่ายหนึ่งก็ปิดโรงงานฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีงานทําหรือไปหยุดงานตัวเองก็ไม่ได้งานทํา นะและถึงพอเครียดเข้าไปด่าทอกันมากๆไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ยอมจ่ายค่าจ้างในช่วงที่หยุดซึ่งก็เป็นความยุติธรรมแต่ว่าพอหน้ามืดต่งางฝ่ายต่างก็ถือว่าไม่ยุติธรรมแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาขาดใจเราสังเกตว่าปัญหาในแนวนี้จบลงด้วยการปิดโรงงานส่วนใหญ่จะปิดโรงงานมาตลอดแล้วมายังมองไกลไปถึงว่าในกาต่อไปถ้ากรรมกรไม่พยายามปรับ โลกัศต์ชีวทัต์เนี่ยแล้วมันมีเหตุมีผลแล้วมุ่งเดชิงไหวชิงพริปกันคือยังนึกว่าธุรกิจนี้จะอยู่ได้แต่ปัญหาการว่างงา น, นจะเพิ่มเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยแน่นอนพวกคุนยนเนี่ยมันมั น, มนอีกไม่กี่ปีอะ่ะมันจะสร้างขุนยนต์รับใช้ถูพื้นล้างห้องน้ำอะไรแต่ไรได้หมดตัณหาอะไรงานเหล่านี้เอาไปไหน เธอจะทํางานอะไรได้ล่ะความรู้เธออย่างเงี้ยตัววัเรียนเธอไม่ได้เรียนแล้วกเ็เธอมีความรู้เนี่ยสามารถทํางานแรยงานได้อย่างเงี้ยแต่หุ่นยนต์มันซื่อสัตย์กว่ามันทํางานได้ดีกว่าทําไงมันไม่เรียกร้องแรย ง, งานมันไม่มีอะไรตัวไรเนี่ยในที่สุดเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยเขาจะไปเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็หุ่นยนต์ยางที่โรงงานทํารถยนต์ใหญ่ในต่างประเทศเนี่แล้วเข้าไปเนี่ยไม่ค่ยเจอคน แต่หุนยนต์คอมพิวเตอร์คุมกันมีคนไม่กี่คนคุมอยู่นี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมเพราะฉะนั้นคนทั้งสองกลุ่มเนี้ยจะต้องรู้สึกเป็นมิตรกันเป็นกันระยาณนะมิตรกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันต้องเป็นลมหายใจของกันและกันมันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องอาดัดเอาอเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งแต่เราอย่าลืมนะฮะว่ายังไงก็ตามเราไม่ได้เสี่ยง ถ้าเราจะเรียกร้องมากเกินไปในผลรุไท้ายบางข้าวข้าวทานองของของทองนะฮะถอนขนกันจนไม่มีทองเลยจุดการประณีประนอมเนี่ยมีความจะเป็นมากสถานะของตัรมังกรก็ควรจะดีขึ้นในงานควรจะขึ้นตามความจำเป็น แต่เราอย่าลืมนะฮะการขึ้นแรงงานนุนขึ้นกระเทือนกระไรกระน้ํามันขึ้นน่ะนะฮันก็เทือนถึงผู้ผู้บริโภคหมดพอใ น, นสุดมันจะบวกต้นทุนเข้าไปบวกบวกบวกบวกบวกบวกเข้าไปแต่บนถ้าผู้บริโภคเนี่ยจะลำบากในปลายต้นทามก็ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างก็จะเดือดร้อนการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงไม่ใช่ง่าย เศรษฐศาสตร์แนวพุทธวิชาวางไปรูปของการลยาณมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกี่ยวกับวิพากกรรมปัญหาแรงงานกับปัญหาการตลาดแค่คําเดียวนะฮะวิพากกรรมกับปริวัตกิกรรมในแค่คําเดียวใช้คําว่าการลยาณมิตร ต, ต่างๆเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันทีเราเป็นมิตรกันทีร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กัน ในขณะที่เราทำงานเนี่ยมีพัฒนาความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาทักษะคือความจำนนส้รํานาในด้านต่างๆใช้เวลาเท่ากันปริมาณงานเพิ่มขึ้นหรือประสิทธิภาพของงานสูงขึ้นหรือคุณภาพของงานดีขึ้นคนก็มองนะฮะก็อยากให้ก็อยากให้บรรดาอาตมาพบผู้จัดการระดับมือระดับสามของบริษัทใหญ่มากเนะะี่ย อายุยังน้อยฮะแล้วก็จบรามด้วยแต่คขแสดงผีมือความรู้ความสามารถเขานี่เก่งมากก้าวแบบไปโจรกันมาเลยถูกคัดเลือกมาจากคนเป็นจำนวนพันๆ น, นะขึ้นมา โดยผู้ใหญ่เขามองเห็นความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้ น, นการทำงานเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันต้องแสดงให้เห็นความรู้ความสามารถผลงานของเราออกมาแล้วค่ามันมาเองเนี่ยทหละการสำคัญในหมู่เราเนี่ยคือเราไม่ค่อยสร้างเหตุแต่ว่าไปเรียกร้องผลซึ่งมันก็หาฤโหเกินไปนะฮะถ้าเราเปลี่ยนจุดยืนแล้วจะเห็นชัดเจนวราในขณะที่บริษัทกำลังขาดทุนอยู่เนี่ย สินค้าเต็มสต็อกอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่มีการสั่งไม่มีออเดอร์อะไรไมาจากต่างประเทศเลยในขณะเดียวกันก็คนงานก็ตัวเองเรียกร้องเอาเรียกร้องเอาเขาก็ตายกระตายอยู่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันบางทีก็บริษัทก็รับรวยแล้วก็คนงานก็อยู่อย่างยากไร่เนี่ยมันก็หารลโ้ยคเกิดไป และการก็ความเป็นกัลยาณมิตรก็คือต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ต้องร่วมทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่อย่าลืมนะฮะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาทุกเนี่ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะทุกข์เปียงฝ่ายเดียวเวลาสุขฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สุขเปียงฝ่ายเดียวเราไม่ร่วมกันเราไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสมมติว่าบริษัททํางานได้กําไรมากๆเนี่ย ต้องมีโบนัสมีรางวัลมีอะไรแต่ใดยให้แก่ลูกน้องบริษัทเป็นสุขลูกน้องก็เป็นสุขด้วยแต่ในขนาดเดียวกันลูกน้องก็ต้องมองนะไม่ใช่เอาด้านเดียววันในบริษัทก็กําลังขาดทุนนย่างที่ว่าเลยไปไม่รอดธุรกิจจะเดินไปไม่ได้เยตัวยังเรียกร้องแรงงานกันอีกหรือเรียกร้องค่าจ้างเรียกร้องโบนัสกันอีกเหรอนี่เมื่อเขาจะตายไม่ตายแลอย่างนี้ต้ง ร, ตรงตัวนี้คือต้องลงไปร่วมทุกข์กับเขา จริงไม่ลงนะขึ้นมาร่วมทุกข์กับเขาด้วยทําไปเขาเรียกว่าเห็นกันเมื่อค่ายห้กันเมื่อทุกข์มนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยาเป็นนายกับลูกน้องเป็นองค์กรกับสมาชิกองค์กรเนี่ยมันต้องเห็นกันเมื่อค่ายให้กันเมื่อทุกข์ไม่ใช่เป็นแนลักษณะที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกิน เวลามีฐานะมีผลประโยชน์มีอะไรแต่อะไรก็แห่กันมาเป็นแถวแลว้่พอถึงจุดหนึ่งก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปอันนี้เป็นความโหดร้ายเกินไปแนวที่ได้ฟังไม่ทราบเป็นหัวหน้าหรือเปล่านะที่ฟังได้ก็ออกข่าวมาตอนกลางคืนวันที่สามสิบมีการเรียกร้องอะไรเยอะ มาอยังนึกว่าบ้านเมืองยุคนี้นะทํำยังไงเราผ่านวิกฤตให้ได้ก่อนเถอะอย่าไปเรียกร้องอะไรมากแล้วแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเองเนี่ยรือการก่อสร้างการเรีรายการแสวงหาประโยชน์ในด้านต่างๆนะชะลอไว้ก่อนเถอะให้บ้านเมืองมันผ่านวิกฤตไปก่อนรวมตลอดตัองการท่องเที่ยวต่างแดนนะฮะก็มันน่าจะชะลอไว้ก่อน เพราะว่าขนเงินตราไปต่างประเทศมากเกิดเกิดและการสําคัญของสังคมเนี่ยคือร่วมทุกร่วมสุขกันได้แล้วเราพรึ่งกระทในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันเป็นกิริยาปฏิกริยาเนะยเราลองสังเกตมันเหมือนกับปลาบอลเข้าฝาปลาแรงเด้งแรงปลาเบาเด้งเบา หรือเสียงตะโกนนี่เราผลักเราชักะเยาะกันเนี่ยเหมือนกันนะฮะถ้าเพื่อนดึงแรงเราก็แดงดึงแรงนมันเป็นเรื่องสังคมมันเป็นกิริยาปฏิกิริยาเนี่ยที่เป็นอันเดิมอันเดียวได้ก็คือกิริยามันสร้างสรรค์แล้วก็เป็นธรรมชาติแตจริงธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนเรามองเงาในกระจกเนี่ยถ้าเราต้องการในเงายิ้มเนี่ยเรายิ้มเงามันก็ยิ้มกับเราถ้าเราบึ้งเงามันก็บึ้งกับเรา แสดงว่าแต่ละคนมีหน้าที่สร้างกิริยาแล้วปฏิกริยาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้เองดังนั้นในวันกรรมกรเนี่ยถึงบางค่ั้บางคราวก็ถูกวาดภาพไปน่ากลัวปีนี้พอดีมันงานทับดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลมิสาขาบูชาเนี่ยที่จริงต้องเริ่มวันที่หนึ่งนะเริ่มต้องเริ่มวันเนี้ยจะเริ่มไม่ได้นะฮะต้อง ให้สนามหลวงเป็นที่จัด ก, กิจกรรมของพี่น้องกรรมกรเขา17ปีนี่เราก็เพิ่งสัปดาห์6วันในปีนี้ แ, แสดงเราพร้อมที่จะเสียสละพรอมไม่ร่วมทุกร่วมทุกกันแต่ า, า จ, จะมีเต้นอะไรลงไปบ้าง น, นะครับเพราะว่าถ้าลงในตอนเช้าวันที่2ยิงกินี่ยังไงเราก็ทำให้ทัน มันเต็งหลักมันก็ลงไปแล้วก็พี่น้องกรมกรมกรมก็สามารถจะเข้าไปใช้สอยอะไรแต่ได้แต่ยายถึงเกิดความเสียหายก็แล้วกันก็เป็นห่วงกอยู่เหมือนกันนะฮะว่าตากขโมย อ, อะไรอะไรขึ้นมาก็อาจจะทําความเสียหายก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรนะฮะก็แก้ไขกันไปแล้ว่าทํำยังไงว่าเราอยู่ร่วมกั น, นอย่างเป็นมิตรละ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นกรรมกรเพราะทุกคนนี่เป็นกรรมกร คนทำงานเป็นกรรมกรทางนั้นนะแต่ว่าเราไปนิยามมันแคบขึ้นมาเฉยๆกรรมกรเป็นภาษาบาลีนะกรรมการโรตีติกรรมการโรบุคคลใดทาซึ่งการงานเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่ากรรมกรในการทํางานเนี่ยมันหลักการสำคัญคือครองงานได้ครองคนได้ครองตนได้ครองงานได้ครองคนได้ เราก็มาพูดในฐานะกรณีของลูกจ้างกับนายจ้างมันต้องคลางครองใจกันและการให้ได้ตลการการอยู่ร่วมกันทีท่างสอนเอาไวนะ้น่ะปรารถนาสารพัดในปฏิพีเอามตรีแรกได้ทั้งใจจงเธอเป็นมิตรกับเขาไหมล่ะถ้าเราพร้อมจะเป็นมิตรกับเขาเขาก็เป็นมิตรกับเราการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรก็จะบังเกิดขึ้น มันไม่ใช่ยากเขินอะไรหรอกแต่ว่าไม่ใช่ไปเจณให้คนอื่นก็ทําเรามีมีหน้าที่ทาจุดสัมผัสเราลองสังเกตเราจุดสัมผัสถ้าของอยู่สูงเนี่ยเราต้องเอื้อมขึ้นพ้นกับผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องแสดงความอ่อ น, น้อมแต่ของอยู่ข้างหน้าเราต้องเหยียดมือออกไปหยิบแสดงว่าคนใกล้ชิดกันเนี่ยเราต้องมีความเป็ น, น แต่ถ้าของมนอยู่ข้างต่ําเนี่ยเราต้องก้มลงหยิบพราะนผู้น้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยเราต้องงองเขาด้วยความเป็นมิตรงงเขาด้วยความเมตตาสงสารเพราะการเคลื่อนไหวมือสามจังบาทเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกการเคลื่อนไหวมือสามจังบาทเนี่ยมันแสดงด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันบางทีก็สูงสุดเอื้อมมันก็ต้องอาหาได้รองขึ้นไป ในเราปรารถนาสถานะตำแหน่งเดี๋ยวมันสูงสุดเอื้อมเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาศักยภาพของเราความสามารถของเราทักษะของเราแล้วพัฒนาคุณธรรมของเราจนแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมมีคนอื่นก็สามารถสัมผัสได้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่ยอมรับยกย่องของคน ว่าเนากันยาณมิตรนอกจากร่วมทุกร่วมสุขกันได้แล้วก็ต้องมีความรักให้ต่อกันไม่ใช่ความได้ควาหนึ่งรักนะคือต้องรักกันว่าที่จริงนะอย่างที่บอกว่าเป็นลมหายใจของกันและกันไ ม, มกไม่มีเขาก็ไม่มีเราไม่มีเราก็ไม่มีเขาเพราะพวกนี้มันเป็นอิงอาศัยซึ่งกันและกันนายทุนจะมีเงินมหาศาลยัไงไงก็ตามนะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่พนัก ง, งานมาทํางาน มาขายแรงงานมาขายความรู้ขายความคิดขายฝีมือขายความสามารถแล้วเนี่ยธุรกิจต่อ น, นั้นก็เดินไปไม่ได้แต่ในที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพวกนายทุนเขาไม่ลงทุนในธุรกิจต่างๆต่างคนต้องเงินฝากแบง์หมดเลยเก็บดอกผลเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวได้สบายถึงแม้ดอกมันจะลดลงไปยังไงก็ตามนะพวกนี้เงินหนังเงินหนา เขาอยู่ได้อะแต่ว่ารัศดรจะว่างงานเด่ยเพราะแน่ น, นอนคนเหล่านี้ทางานโดยพื้นฐานของความโลภแต่บางคนนี่มีความสงสารญาติพี่น้องคือลงทุนเพื่อสร้างงานให้พี่น้องเราได้มีงานทํากันตามกำลังความสามารถเพราะ น, น, นอกจากจะมีความรักใคร่ ร่วมทุกรวมถกกันได้ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยต้องทําสิ่งที่เป็นอุปการะต่อกันแล้วด้วยความสุจริตใจไม่ใช่เป็นเสแสร้งมายาโอ้อวดแข่งดีอะไรแต่ไรนี่ต่ทําไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันเพราการอยู่ร่วมกันขององค์กรต่างๆบริษัททางร้า น, นต่างๆแต่เราก็ในงานของตัวเองเนี่ย แบบใดที่ยังมีโลกอยู่เนี่ยต้องอยู่ร่วมกันแต่ถ้าขัดแย้งกันเนี่ยมันก็อาจจะบรรลัยทั้งสองทางก็ได้แต่อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนะอย่าลืมเทคโนโลยีก้าวหน้าถ้าหากว่านายทุนก็ทนความรุนแรงของ ก, อกรบฏไม่ได้ก็อาจจะไปเล่นคอมพิวเตอร์เล่นหุ่นยนต์เล่นอะไรต่างๆหลายแรงงานจะว่างรุ่งกันปวนหมดนําไปสู่ปัญหายากรรมนำไปสู่ปัญห า, กกรร ส, าสังคมนําไปสู่ปัญหาอะไรอีกมาก วันาะในโอกาสที่วันนี้เป็นวันกรรมกรซึ่งฟังแล้วก็ไม่ค่อยเพราะเท่าไรนะฮะทจริงก็เป็นวันวันแรงงานแห่งชาติก็อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นก็ใช้แรงงานนั้นกันเนี่ยนะฮะไม่ใช่ใช้แต่พวกกรรมกรหรอกแล้วงานทางวิชาการที่จริงแรงงานนี่หนักกว่าเยอะเลยร ง, งานกรรมกรนี่ก็ทํางานเป็นเวลานะฮะพวกนักวิชาการนี่ก็ทํางานจนหลับไหลไปเลย แต่เดี๋ยวว่าเขาไม่พูดเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปอ้างาแรงงานเนี่ยมันก็ใช้แรงทั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่ทํางานโดยไม่ต้องใช้แรงหรอกทำยังไงจึงจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีความรู้สึกเป็นกัลยาณ์นะไม่ตกลกันในโครงสร้างหลักของสังคมไทยที่หล่อเลี้ยงสังคมมาหรือ้อความที่ว่าปลูกไมตรีจะรู้แรงสร้างกุศลจะรู้รวยต้องฟังไป่ไหย แต่โลงพระพุทยาในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี